นาโมตตะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนาโมตตะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมตตะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะ พอนอบน้อมแด่พระผู้มีสภาปราันต์ธรมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> นาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมและให้พากันนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิด้วยการนั่งฟังธรรมนั่งกรรมฐานนี้ให้พากันนั่งขับสมาธุทุกทุกคน เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายสั่งกายให้เสี่ยงตรงแล้วก็หลับตาเนกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดวงใจเวลา น, นี้ไม่ให้จิตพุ่งซ่านไปภายนอกให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน อาอมเรื่องราวอดีตอนาคตปลดปล่อยออกไปไม่ต้องคิดถึงจงมานึกอยู่ในคำว่าพุทธโธพุทธโธพร้อมกับการได้ยินได้ฟังพุทโธนี้เป็นการระลึกถึงพุทธคุณคนพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้านี้ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจนึก ไม่ตั้งใจเจริญจริงๆก็ไม่ค่อยจะได้นึกได้เจริญเพราะว่าใจคนเหล่านั้นมันแสสายออกไปาหาอารมณ์ภายนอกไม่มาสงบอยู่ที่กายไม่มาสงบอยู่ที่วาจาไม่สงบจิตใจอยู่ภายในพระพธิธเจ้าท่านจึงมีวิธีการ เธอให้มีเฮลานั่งสมาฐา น, นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ยึงมีละเบียบช่วงหนึ่งระยะหนึ่งถ้ามีละเบียบแล้วคิดมันก็มารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ร่างกายเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่ควรคิดไปในอารมณ์ต่าง ความจริงใจคนเรานั้นนับตั้งแต่มาเกิดดวงใจที่แท้จริงก็อยู่ในร่างกายคนเราทุกคนนี่แหละแต่ว่าตัวเจ้าของเองก็ดีเห็นแต่รูปร่างกายของเราเกิดใจภายในนั้นถ้าไม่ภาวนาจริงๆมองไม่เห็นเพราะใจนั้นไม่ใช่ ไม่ใช่โลกกายโลกกายไม่มองเห็นได้ด้วยตาหนังส่วนดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้คิดผู้นึกโยภายในนั้นจะเอาได้จะโยได้ต้องบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกก็ จะรู้ได้เข้าใจว่าดวงใจของคนเหล่านั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนวัตถุเข้าของแต่ว่าถ้าผู้ใดมารักษาได้ทำดวงจิตดวงใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคำสอนกระพุติเจ้าจนสงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายลงไปเนะี่ย มีผลมีอาในสง์ยิ่งใหญ่สมัยขั้งพุทธกาลโน้นเมื่อท่านฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งสอนแล้วท่านนำไปปฏิบัติเผอท่านไม่ทิ้งไม่วางทิ้งธรรมะคำสอนท่านเอามาเตือนใจยังว่าคนไหนผู้ใดละเลอกอูบายธรรมอันใด เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจของตนก็ตั้ง อ, อกตั้งใจนึกตั้งใจเจริญในขณะที่นึกที่เจริญก็ให้มีสติระลึกได้อยู่ในดวงจิตที่มีความลูลอยู่นั่นเองนึกพุทธอกับพุทธนี้เป็นชื่อเป็นตนนามของพระพุทธเจา้ายากที่เราจะได้นึกถึง หาเานึกจำกระทั่งจิตไม่หนีไปที่อื่นดวงจิตดวงใจที่ร้อนอยู่ด้วยความโกรธก็ตามความโลภความหลงก็ตามเจิตใจดวงนี้จะรู้สึกเย็นสบายลงไปนั่งที่ไหนที่นั่งก็เย็นสบายเดินโยที่ไหนที่นั่นก็เย็นสบายเดินไปมาที่ไหนถ้าใจรวมใจสงบ ที่นั่นก็เย็นสบาดใจคนเราเนี่มันร้อนก็อยู่ที่ใจเย็นก็อยู่ที่ใจตามธรรมดาคนเราก็มักจะเห็นว่าไฟนั่นแหละเป็นของร้อนแต่ถ้าใจคนเราร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความกิจขาพยาบาทซึ่งกันและกันมันร้อนยิ่งกว่าไฟ ร้อนไม่หยุดไม่ยังเรียกว่าร้อนในใจร้อนในใจนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้เราท่นท่านทั้งหลายภาวนาถ้าภาวนาพุทธโธดีใจเราจะเป็นใจเย็นใจเย็นใจสบายใจสงบใจตั้งมัน่นจิตใจนี่ถ้ามาสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้ว้งบเย็นสบาย ไม่อิจฉาพยาบาทกันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันเห็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเจตใจคนที่ภาวนาก็จะนึกได้ทีเดียวว่าเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บด้วยกันและเป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครจะหลีกจากกฎเกณฑ์ข้อนี้ไปได้ หาหาความไม่ภาวนาก็ยิ่งห่างไกลออกไปถ้าภาวนาพุทโธในใจก็เรียกว่าใกล้ใกล้กลพระพุทธเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่โบทาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ระลึก อ, อยู่ในดวงใจของเราว่าพุทโธนั่นแหละพุทโธคานี้ถ้าใจเราสงบระงับจะไม่เพียงแต่ว่าเสียงพุทโธเท่านั้น จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขในใจของคนเราในตัวของคนเรานั่นแหละเมื่อเมโอปสสัคขัดข้องใดๆก็ละเลิกถึงคนระพุท ธ, ธเจ้าทําใจของเราให้สงบระ ง, งับเย็นสบายเมื่อใจเราสงบระ ง, งับเย็นสบายด้วยอํานาจคนระพุท ธ, ธเจ้านี่แหละบันเดินบันดาลให้ได้รับความ โลกความสลาดความสามารถอาตหานทำให้มีแสงสว่างในจิตในใจไม่อับเรือว่าไม่มืดเต็มจิตใจอันแจ้งใสบริสุทธิ์หมดจดสะอาภายในดวงใจนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่น ในดินก็ไม่มีใต้ดินกลางดินก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศก็ไม่มีจิตใจนี่เมโยปริมณทนหนังหุ้มโยเป็นที่สดลอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้ารวมจิตรวมใจเข้ามาที่นี้ก็จะเห็นที่นี้จะรู้ที่นี้จะเข้าใจที่นี้ และเบี่รรมเนียมในทางพุทธาศาสนาก็ราะว่าเอามาสอนใจฝึกหัดใจให้กราบพระไหว้พระก็เอาตัวเอารูปร่างกายนี่แหละเอาสวดมนภาวนาก็เอากายวาจาจิตของคนเรานี่เองจเจริญภาวนาแม้จ ะ, จะเจริญในจิตก็ตามก็เกี่ยวโยงถึงกาย ถึงวาจาหมดทุกส่วนแต่รวมแล้วก็คือต้องการเอาจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติถ้าจิตใจดวงนี้ไม่สงบระงับไม่รวมไม่หยุดไม่อยู่เป็นดวงใจที่วุ่นวายภายนอกแล้วยอมเกิดทุกเกิดโทษแกบุคคลแกชาติบ้านเมือง อะไรทั้งหมดมันตาไปจากดวงใจนี้ท้งนั้นนั่นดวงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญในตัวคนเรลานี้เรียกว่าใจนี่แหละเป็นใหญ่ไม่มีอะไรใหญ่กว่าดวงใจไปได้เป็นใหญ่แล้วก็เป็นปนัจจัยจะสาเร็จในบุญในบาป ท, ที่ทำก็ามาจากดวงใจ โดยเฉพาะแล้วแล้วว่าบนกุศลบนบารมียอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านบำเพ็ญบนกุศลมาบนนั้นนั้นก็ไม่หายไปไหนเมื่อบำเพ็ญมาแล้วก็มาอยู่ที่ดวงใจเมื่อมาอยู่ที่ดวงใจมันก็อยู่ในกายในวาจาในใจทั้งหมดนี่แหละ คนเราทุกคนมันแสดงบุญแสดงบาปอยู่ตลอดเยลาเมื่อคนทำบาปบาปก็ให้ผลตั้งแต่เวลาทำนั้นเลื่อไปแต่นีนเมื่อคนทำบุญบุญก็ให้ผลตั้งแต่ประกอบกระทำนั้นบุญในการได้ยินได้ฟังบุญในการบริกรรมพุทธพุทธททำใจให้สงบ แม้ทีแรกๆยังไม่เชื่อไม่เลื่อมใสก็ให้เจียนพยายามประกอบกระทาไปก่อนเมื่อทำเข้าปฏิบัติเข้าภาวนาเรื่อยไปไม่ทอดทุร์จนเกิดความส ง, งบสกเยือกเย็นขึ้นมาใ น, ในใจิตใจของตัวเองทีนี้ก็เกิดศรัทธาแหละมัน ความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติภูษาว่ามีความจริงอยู่ทำดีได้รับผลดีคนไม่ทำดีไปทำชั่วได้รับผลชั่วแต่ความชั่วความไม่ดีนั้นเวลามันให้ผลเดือดร้อนเมื่อภายหลังเป็นทุกข์เป็ น, น้รนส่วนบนนี้เมื่อให้ผลมีความสุขทั้งกายสบายทั้งจิต จะเจริญภาวานาก็สะดวกสบายทำอะไรก็สบายทางนั้นสึ่งที่เราคิดไม่เห็นคิดไม่ถึงว่าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวานาจริงๆด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหากบันโดนบันดาลให้เป็นไปได้ ในที่จะมีภัยอันตรายต่างๆนา้นากว่าตามถ้าผู้ใดมีการจเจริญภาวนาทำจิตทำใจให้สงบระงับเย็นสบายมีภาวนาพุทโธก็ดีเมื่อคนพวกนั้นจะไปในที่ธุรกันดาลหรือที่จะมีภัยอันตราย เืีองแต่ว่าจะไปเท่านั้นแ่ะบนกุศลที่ตนประกอบกระทำนั้นมันไปก่อนแล้วทานีเหตุการณ์ไปอันตรายต่างๆก็บรรดานให้แค่้าดไปเสียก่อนเมื่อคอนใจบนคอนธรรมบนไปก็มีแต่ความสกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเธยว่าบนนี้ เป็นสิ่งสำคัญถ้ามันยังไม่เกิดไม่มีให้เราปรากฏเห็นก็เข้าใจว่าบุญนั้นเหมือนก็ไม่มีเพราะว่าไม่เหมือนบาปบาปนั้นเมื่อมันกระทบกระเทือนกลับมาถึงตัวคนเรามันเผ็ดร้อนวุ่นวายแต่บุญนั้นมันเป็นความเย็นความสบาย เป็นกดธรรมดาอยู่ถ้าหากว่าความทุกข์ความเดือดร้อนอันใดเกิดขึ้นในใจมนุษย์คนเราแล้วแม้จะเป็นเวลาน้อยหนึ่งก็าตามมันก็เหมือนกับเป็นเวลายืดยาวมันทุกข์มันร้อนในใจทีนี้นถ้าบนโกสอนคือความสุข ก, กายบ้างสบายใจบ้างสะดวกสบายขั้งภายนอกภายใน วันเวลาวันคืนเดือนปีมันผ่านไปก็เหมือนกับว่าไม่รู้สึกเพราะตกนั่นมันเป็นของเย็นเป็นของสบายผ่านไปนานเท่าไหร่คนเราก็ทอบคอพอใจแต่ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเข้ามานิดหน่อยก็หน้าเบื่อเพราะมันเป็นทุกข์ทีนี่คนเราก็ต้องการเหมือนกันความตก แต่ว่าเวลาคนเราทำบุญกุศลภาวนานั้นมันน้อยมันไม่พอก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่เห็นผลแท้จริงมันก็มีผลอยู่จึงําเป็นต้องประกอบกระทำเลื่อยไปชีวิตเรายังมีอยู่ก็ต้องทำต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเลื่อยไปเราว่าเมื่อมันให้ผล เป็นความสบายเป็นความสุขดูตัวอย่างพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาเป็นอาสงขัยอาสงขัยที่ว่าสี่อาสงขัยกําไรแสนมหากรจึงได้มาปรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็เป็นเวลาลำบาก แต่ว่าเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ก็เอาละมีแต่ความสุขสะดวกสบายทั้งกายวาจาจิตทั้งภายนอกทั้งภายใ น, ในแต่ว่าสุขจริงๆก็คือว่าจิตใจของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสุขจริงๆไม่มีความทุกข์เหมือนคนเราคนเรานี่บางคราวก็ดีใจบางคราวก็เสียใจลุ่มลุ่มดอนดอน พระพุทธเจ้านั้นได้จะว่าสมามเสมอบนใหญ่พระองค์เป็นผู้มี้บนใหญ่บนว่าสนาบรารมีใหญ่มันก็มีความสุขความเย็นอกเยนใจใครจะไปไหนมาไหนก็ได้ือว่าได้กราบได้ไหว้พระพุทธเจ้ายิ่งถ้าคนเราไปเห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้องค์ของท่านนั้น จุงหนึ่งที่กระดุดตากระดุดใจของคนเราเกือก็คือว่ารัทมิหกประการสวางกระจ่างแจ้เดียวว่าเตฏุสิบินดีอันสงศ์และคำคำสอนประพุทธเจ้านั้นแดวเเป็นเครื่องเตือนให้เราทุกคนสร้างบุญกุศล โดยเฉพาะและบุญกุศลอันเกิดจากภาวนาภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาแต่เมื่อมันยังไม่สงบรังหับอย่างเวลานี้เราเนึกอุดโอฟุดโอมันก็ยังไม่เห็นแก่ถ้าเราภาวนาทุกข์เขินทุกข์เขินไปจังใแลความโกรธมันลดน้อยลงใสไม่โกรธมากโกรธน้อย เมื่อเราทําเรื่อยไปที่โกรดน้อยก็เลยหายไปหมดไปสิ้นไปความโกรธก็หมดไปความโลภหมดไปความหลงหมดไปแต่จิตปัญญาก็เกิดขึ้นยานอันวิเศษละกิเลสให้เบาบางหมดสิ้นไปก็เกิดขึ้นเต็มที่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วจิตใจอ น, นั้นก็มีความตก แม้จะไม่ได้อยู่บนฟ้าบนสวรรค์อยู่ในพื้นดินเนีก็เหมือนว่าสูงกว่าฟ้ากว่าสวรรค์คือใจมันสงบระ ง, งับใจภาวนาใจเึกมถึงพุศโธคุณพระพุทธเจ้าไม่ใค่เพียงนึกถึงแล้วว่ามันซึมซาบเข้าในจิตในใจเลาว่าใจเรามองเห็นพระพุทธเจ้าในใจ มองเห็นความสุขกายสบายใจของเรานั่นเองเร้ว่าพระพุทธเจา้าท่านภาวนาท่านจิตใจเยือกเย็นสบายอย่างนี้อย่างนี้เพราะท่านปฏิบัติภาวนาจริงๆไม่ได้เพียงแต่ว่าพูดได้เหมือนคนเราคนเรานั้นบางอย่างบางประการนั้นพูดได้แต่เวลาภาคปฏิบัติกา ร, กระทำนั้นไม่ก็จะได้ เนคือว่าไม่เหมือนพระพุท ธ, ธเจ้าพระพุท ธ, ธเจ้านั้นท่านทำได้ปฏิบัติได้การทำบุญให้ทานท่านก็สูงสนทรงกว่ า, าษย์และเทวดาการรักษาศีลห้าศีลแปดก็ตั้งอกตั้งใจไม่มีใครชู้ดังการเจริญสมาธิภาวนาท่านก็เอาจริงเอาจัง เกิดใจของผู้ที่มีบุญบารมีนั้นเรียกว่าแก่กล้าสามะในสิ่งที่คนเราธรรมดาคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ามันเป็นไปได้คนธรรมดาทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทำได้โดยแต่ว่าในโลกมนุษย์ทั้งมนุษย์และเทวดายินทรมเทศทั้งหลายเต็มโลกก็ไม่มีใคร มนุษย์ในโลกก็ดีไม่มีใครได้ตัดสู้อย่างพระพุทธเจ้าเพราะว่ามันเกี่ยวกับกําลังใจกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญการภาวนาเนี่ท่านให้เกี่ยวโดยกําลังใจเอาใจภาวนาเอาใจนึกเอาใจน้อมให้สมกว่าใจเป็นใหญ่เมื่อใจเป็นใหญ่ใจให้พา กายวาจาจิตของเราประกอบกระทำไปในทางที่ดีมีประโยชน์ไม่ให้ทุกขทอดต่างๆนาน า, นาบังเกิดมีขึ้นสิ่งใดที่พูดไปทำไปด้วยโมโหโทโสนั้นไม่ต้องส่งเสริมเมื่อไม่ส่งเสริมต่อเติมก็เหมือนไฟมันหมดเชื่อ เมื่อไฟมันหมดเชื่อบอมีเชื้อเพลิงบอไม่มีปืนไม่มีเท่าไม่มีทางไฟมันก็ดับไปเองกีเลศความโกดในใจนีกีเลความโลภในใจกีเลความหลงในใจเมื่อเรามาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้เราตั้งใจทำไปแม้จะน้อยหนึ่งก็ตามไม่ประมา ตั้งใจปฏิบัติบูชานึกน้อมอยู่ในใจผน ท, ที่สดที่เราว่าน้อยหนึ่งนั่นแหละมันกลายมากขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจินตีบาลีแก่กล้าจริงๆมันเกิดความสา ม, มารถอาถารขึ้นมาใจคนเรานะ่ะมันมีมีกกำลังขึ้นมาเมื่อกำลัง อันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วจึงตัดกิเลสปัญหามานะคิดคิได้อย่างแท้จริงไม่กลัวไม่กลัวกิเลสนั่นคือว่าเมื่อเราทําเข้าทําเข้าปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากก็ค่อยมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อกำลังพอแล้วมันก ฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออกเจ็บใจก็ลดท้นจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่อไปท่านก็ไม่โตแล้วมันจะมาอีกถ่าไหนทา่านกอดแก้ไขได้เพื่อว่าไม่หลงไปตาบเมื่อใจิตใจดวงหนึ่งมีกำลังขึ้นมาตั้งมัน่นมองเห็นกิเลสมานสังขารมานว่าเป็นทางไม่ดี ต่อไปท่านจะไม่ติดต่อไม่ต่ อ, ไ ม, ตอไม่เติมไม่ส่งเสริมเมื่อไม่มีใครไปส่งเสริมมันก็เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเราพุท ธ, ธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีโอกาสมีเวลาภาวนาได้คุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสติเตือนจิตเตือนใจของท่านอยู่ทุกเวลา แล้วเจบใจอันนั้นก็แจ่มแจ้งชัดเจนไม่วุ่นวายเหมือนก่อนๆมาเรียกว่าเปลี่ยนสภาพจากความทุกข์ความเดือดร้อนมาเป็นความสุขายสบายใจถ้าสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีภาวนาพุทโธอันใดก็ทิพย์ต่ อ, อเนือกเป็นบุญเป็นกุศลตลอดกาล แดาว่าชีวิตไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจิตใจก็ได้ตัวเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบนกุศลนั้นธาใจของคนเราโูด จ, จักโูดแจ้งโูดจริงแล้วทําเอาบุญได้ง่ายบุญมันไม่ยาก มันย า, ยากอยู่ผู้ทำไม่ทำเท่านั้นแหละถ้าทำแล้วโดยเฉพาะบุญกุศลที่ภาวานาเป็นบุญนี้เรารวมจิตใจเข้ามาตั้งในหัวใจได้จิตใจสงบระ ง, งับเย็นสบายลงไปได้ในหัวใจนั่นเองเป็นความตกเป็นความสบาย ซึ่งแต่ก่อนไม่มีถ้าจิตเราสงบระ ง, งับตั้งมั่นลงใสได้มันมีขึ้นมาได้ความร้อมใจหายไปความเย็นใจเกิดขึ้นมาแทนความคิดความอ่านในจิตในใจก็คล่องแค่วว่องไวไม่ติดขัดมันจะเกิดมีขึ้นได้ก็อยู่ที่สมาธิภาวนานี่เอง ไม่ได้มาจากที่อื่นไม่มีใครจะเอามายึดยกฮะมันเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเธอทำไปปฏิบัติไปมันก็ค่อยได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอาหางขึ้นมาในดวงจิตดวงใจนั่นเอง แต่ถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็อยู่ที่เคยลุ่มหลงมัวเมามาอย่างใดมันก็ลุ่มหลงมัวเมาอย่างนั้นเคยกอดเคยโลบเคยหลงมาอย่างใดก็กอดโลบหลงไปตามนั้นอันนี้คือว่าอินทร์บาลมีในใจไม่ทำต่อเนื่องถ้าทำต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาพุทโอพระพุทธเจ้าเป็นี่พึ่งของเรา เมื่อเราเนกโยในคนปะพุทธเจ้าเราพึ่งคนปะพุทธเจ้าโมโหโทโสอันใดมันจะบังเกิดมีขึ้นก็คนปะพุทธเจ้านั่นแหละมันจะช่วยบรรดมบรรดาลให้ความชั่วความไม่ดีหลุดลอยไปได้เราก็ได้สร้างความดีขึ้นมาแทนที่ให้เชื่อว่าจิตตั้งมัน่นจิตไม่หวั่นไหวจิตภาวนาพุทธโธ แนวแน่มัน่นคงไม่มีเรื่องราวกับบุคคลผู้ใดมองเห็นชาตความเกิดของเรานี่เป็นทุกจริงๆโดตั้งจะเกิดมาไม่มีได้หยุดสยองเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ ก, การทํโน้นทํานี่วุ่นวายไปหมดอีกไม่นานรูปร่างกายของเราก็ถึง ว, วัยแก่วัยชราเมื่อถึงวัยแก่วัยชราแล้ว ความทุกต่างๆมันก็เข้ามาถึงความคิดหวังต่างๆก็มีขึ้นมันเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายรูปนามกายใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้โคตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติ่อบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญคุณเป็นกุศลแล้วธนวัตาได้มีความทอแททอ่อนแอในดวงใจ ให้ตั้งออกตั้งใจภาวนาในใจของเราให้ได้เมื่อใจสงบตั้งมั่นได้แล้วทุกสึงทุกอย่างมันก็มาตามนั้นแหละตามใจสงบหลังับถ้าใจวุ่นวายเรื่องวุ่นวายมันก็ไหลมาหาใจอันนะั้นถ้าใจเราสงบหลังับเย็นสบายบนโกศมันก็ไหลมาเทมาตามจิตใจที่มีอยู่ภายในนั่นเอง แต่ไม่ใช่เราให้นอนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งโยกันนึกถึงคนพระพุทธเจ้าพุทโธในใจธรรมโมในใจตั้งโคในใจว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันรเริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าเอาที่พึ่งอันนี้อยในดวงจิต ด, ดวงจใจ แต่ว่าจิตมันก็สงบระ ง, งับตั้งมั่นเย็นสาบาทมองเห็นคุณพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดการนั่งก็มองเห็นนอนก็มองเห็นยืนเดินไปมาที่ไหนก็มองเห็นเพราะเรานึกพุทโธอยู่ในใจนั้นพุทธะพุทโธในใจนี้ไม่เฉพาะแต่เพียงจดจําเท่านั้น <c oughs> เมื่อใจเราสงบระ ง, งับตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวนา แเวาใจเราก็มีความสุขกายวาจาจิตเมื่อจิตมีความสงบตั้งมั่นกายวาจาก็มีความสุขความสบายเธือไม่พากายไปทำบาปไม่พาวาจาพูดบาปไม่คิดทางใจให้เป็นบาปในใจก็คิดถึงคุณพระพุท ธ, ธเจ้าพุโทโธอยู่เนืองนิสิตต่อกันไปทกลมเข้าทกลมออกจึงเมยว่า นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเ่อว่าให้ทำอยู่เสมอๆให้มันติดต่ออยู่ในดวงใจนะั้นความร้อนและอกในตายก็หายไปร้อนใจก็หายันหายไปมันไม่ไปที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่เดิมของวิเลตนั่นแหละเมื่อเราเลิกได้ละได้เราภาวนาจน แจ้แจ้งทัดเกณฑ์ย่แรงมันก็ดับไปความกรธมันก็ดับไปที่นั้นปรโยช์ไหนไม่ต้องเลือกสถานที่ด้วยแล้วว่าเอาสถานที่ใจเป็นหลักเอาสถานที่กายเป็นหลักตัวเรากายเราอยู่ที่ไหนก็ที่นี่แหละเป็นที่ปฏิบัติบูชาภาวนา ไม่จะอยู่นอกกายไม่ใช่อยู่นอกตัวหากเป็นของมีอยู่ในร่างกายคนคนเราทุกคนถ้าเราสังเกตให้ดีอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูเข้ามามันจะไปรู้สึกในจิตใจดวงผู้รูนั้นทั้งหมดกระทบเข้าไปที่นั้นเราะนั้นผู้รักษาเจ็บก็เลยรักษาใจดวงนี้แหละให้อยู่เป็นที่ พศทอประมารวมอยู่ที่นี่ในที่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่พศทอจริงจริงอยู่ที่นี่ทำโมจริงจริงอยู่ที่นี่สังโฆจริงๆอยู่ที่นี่เมื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ตัวอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราแล้วก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนรวมใจเข้ามาตั้งภายในรงนี่เองจิตใจก็จดสบาย นั่งก็สบายเย็นเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะว่าได้ที่ภาวนาดีที่แลดมานสังขารมานก็ไม่หลอกลวงโยที่ไหนก็นึกได้เจริญได้ทุกเวลาตัวสังขารมานมานคือสังขารมานคือผู้ฆ่าผู้ทำลาย ผู้ไม่ยอมให้คนเราทำดีเวลาเราจะทำบุญให้ทานก็มักจะมีมารมาเบียดก็คือสังขารลมานติเลตมารนันไม่ยอมให้ทำไม่ยอมให้ปฏิบัติเราจะภาวนาตอนหัวค่ำมันก็โกหกว่าให้ดึกสักหน่อยก่อนจึงภาวนาเราจะนั่งภาวนามันก็ว่านอนภาวนาก็ได้ อะไรต่อนนี้อะไระเหล่านี้มันท่านให้ชื่อว่ามารสังขารมันปรงมันแต่งโยอย่างนั่นเองถ้าใครหลงไหลไปแล้วก็เลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาภาวนาไม่มีเวลาว่ว้พระสวดมนคั่นถึงวันใหม่เวลาใหม่เวลาเราตั้งใจจะทำมันมาแหละมันเกิดขึ้นในนั้นหาทางผัดเทียนผัดวันประทันตง บางคนตั้งจะเกิดมาจนแก่ชราเลยยังหาเวลาไม่ได้ว่าเวลาของข้าพเจ้าไปอยู่ไหนเกิดมาตั้งห้าสิบปีหกสิบปีเจดสิบียังหาเวลาไม่ค่อยได้อีกไม่นานเวลาตายมาถึงเวลาตายนั้นมีเวลาถ้ามันจะตายเมื่อใดก็เอาล่ละไม่ได้เลือกเวลาด้วย ว่าเท้าไม่ตายไม่ได้ถ้ามาทำเวลาเท้าก็เอาตายเวลาเท้าตามทำเวลากลางวันก็เอาตายเวลากลางวันทำเวลากลางคืนนอนหลับก็เอาตายเวลากลางคืนความตายมันทาไมมีเวลาเวลาคนเราจะปฏิบัติบูชาภาวนาว่าไม่มีเวลานั่นและสันวัาไปเชื่อมารสังขารมารสิเลส กิเลสพากินกิเลสพาเน่ากิเลสพานอนกิเลสมาพาพูกิเลสพาทำก็เลยหาเวลาไม่ได้เวลามันมีอยู่เมื่อคนไม่ตั้งใจเวลามันก็ไม่มีแม้จะเป็นนักบวชนักบ้านก็เหมือนกันมันเท่าเท่ากันถ้าไม่ตั้งใจลงไปแล้วไม่มีเวลาทั้งนั้น ถ้าตั้งใจลงไปให้มันแน่นอนในใจเอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าเอาให้มันได้ทุกลมหายใจออกจนทําได้อย่างพระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์ภาวนาอนาปานลมหายใจก็ได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าคือว่ามันทันเอาปัจจุบันมารำมาทำมาปฏิบัติเลยทันเมื่อทำนักตัดละกิเลสได้ เราทุกคนก็เหมือนกันถ้ารวมจิตรวมใจลงมาโตหลักสัจจุบันขณะนี้เรลานี้อยู่เรื่อยไปลมเข้าลมออกมีอยู่คนลกถ้ามันได้จเจริญให้ได้พุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะมันได้มันทันแล้วมันก็นทันได้เรื่อยไปพอสงบได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็นสงบได้แต่ต้องอาศัยการประกอบกระทำอยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าเราจะไปรอวันคืนเดือนปีหาเลือกหายามหาหมอดูให้ไม่ได้เราต้องดูเองเราต้องเป็นหมอดูเองอที่เราไปหาหมอดูทางอื่นคือว่าไปหาหมอเดามันเดาไปเรื่อยละถ้าเราดูแล้วก็ดูตัวของเราหมอดูมันทำไม่ดีอย่าน้นวเราก็แก้ไข ใจไม่สงบภาวนาพุทโธอห้มันแน่วแน่มั่นคงลงไปเอาให้สงบระงับนี่แหละดูตัวเราเองดูตั้งแต่พื้นเท่าตลอดสีสาดูแต่สีสาะตลอดพื้นเท่าดูข้างนอกเข้าไปโซข้างในดูข้างในออกมาข้างนอกดูชีวิตของเราที่เกิดมาต้องตายภายในรอยชีไม่นานเท่าไหร่ เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็ตื่นขึ้นตื่นตัวขึ้นมาลกขึ้นไม่ง่วงเหาเหาหนอนเพราะว่าทราพยาธิมาณะนั้นมันไล่ติดตามอยู่ข้างหลังเราทุกคนเลียงแรงภาวนาพุทภธในใจตั้งจิตให้มั่นคงลงไปในหัวใจให้ได้เมื่อจิตใจสงบระงับในใจเราได้เหมือนกับว่า ท้างโลกก็สงบระงับไปหมดแต่ถ้าใจเราไม่สงบปุ้นวายภายนอกเกิด ค, ความทุกข์ความเดือดร้อนในหัวใจก็เหมือนกับว่ามันมีแต่ความทุกข์แท่ที่จริงมันมีเพราะความยึดถือถ้าจิตยึดถือสิ่งใดความทุกข์มันก็มีขึ้นถ้าไม่ยึดไม่ถือรู้จักปล่อยวาง ทำใจให้สงบแน่วแน่โลโยเฉพาะจิตใจของเราดวงที่มีความลูลโยใจก็สงบเจ็นสบายตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนั้นโอบายต่างๆในทางภาวนานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายฟากกันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ ให้เต็มกําลังความสามารถของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่แล้วก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็่อมโกลด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการนี สัพพิติโยวิวัตถันโตสัพพโลกโควินาสโตมาเตผวัตวันตรายโยจุขิติคาอยู่โภพวะอาปิว า, าธานาสีรุกนิจังมุธาปจาริโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอโุขังทาลัง <c oughs> อัสสมาเทศน์เลย พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูก็เพราะนั่งขับสมาธิเมื่อท่านนั่งขับสมาธิแล้วจิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวไม่วุ่นวายทางหลายทางตัวแรีว่าขับสมาธิคือต้องการจิตใจของคนเรานั่นเอง ให้มีความแข็งแรงไม่ให้ท่อแท่อ่อนเอในหัวใจพระพุธทธเจ้าทระหมายท่านจึงนั่งได้เรามันขาดทิฏฐิมาณะอะไรจรึงนั่งไม่ได้เราต้องสอนตัวเราเองให้ลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวานาในาที่โยที่อาศัยของตน ก็ตั้งใจหับนั่งเสมอนั่งเรื่อยๆนั่งเสมอแล้วเลื่อลมเส้นเอ็นมันก็ยืดยานไปเป็นความสกสบายอันนึงในการนั่งสมาธิภาวนาขับสมาเซตนั้นเมื่อเรานั่งขับสมาเซตได้ดี เดใจของเรามีความตั้งมั่นในการปฏิบัติคือไม่ทอดแท่อ่อนเอในหัวใจเราไม่ต้องคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้าดินสลายเป็นไปไม่ได้โรคประคันร่างกายของมนุษย์คนเราในยุคนี้สมัยนี้อายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปี เราต้องคิดอ่านคิดเจรนาภายในร้อยปีใต้ร้อยปีลงมาอายุของคนเราไม่นานชื่อว่าอายุสั้นพลันตายอายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายไปแล้ว ที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตัดสัตนั้นแม้เกิดถังพระองค์เสด็จออกบรรป่าชาออกบุเป็นพระฤาษีตนหนึ่งภาวนาโยนเขาให้มาไหลทั้งบนยอดข้ากลางเบื้องต่ำทำโคหาที่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปภาวนาทางนั้น ภายในหกปีพระองค์ไม่ค่อยจะได้ออกจากป่าเขาคือว่าเอาป่าเขาเป็นที่ทวนาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งหกปีล่วงไปแล้วหรือว่าหกพรรสล่วงไปแล้วก็ยังตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ ต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียซึ่งเมืองนั้นเดี๋ยวนี้เขาให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธกยาเมื่อมาถึงที่นั้นมีมงคลหลายอย่างหลายแป ด, ดานมารวมกันอยู่ในที่นั้นได้แจกลกขมูลล้มไม้ต้นไม้ตนหนึ่ง ภายหลังให้ชื่อว่าต้นไมโพต้นไม้ต้นนี้แหละก็เป็นสหัสชาติกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองประโจนปีนั้นต้นไมโพต้นไม้สลีต้นนี้ก็เกิดขึ้นในปีนั้นอายุก็เรียกว่าเข้ากันกับพระพุทธเจ้าของเราต้นโพต้นนั้น เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต้นโพนั่นแล้วก็ชอบขักไทยใจกับพุทธเจ้าก็นึกขึ้นมาว่าต้นไม้ลกขโมลต้นนี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้พระองค์ก็มาพิจารณาว่าทำอย่างไรเมื่อลรงยานดู บารณีก็เรียกว่าเต็มเต็มสี่อาสงไขแสนมาหากรัปแล้วทำไมสิงตรัสจะรู้ไม่ได้พระองค์ก็พินิทีจรณาได้ความขึ้นมาว่าอันกิเลสลาทะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอกมิช า, าตัณหา กิเลสันห้าตันหาล้อยแปด่นานมันมีอยู่ในใจของพระองค์ก็ตามอยู่ในคนทั้งหลายก็เหมือนกันีน่กิเลสตันหาเหล่านี้โผมัดรัดหนึ่งให้โยให้ข้องให้ติดอยู่ถ้าหากว่าบุคคลูใดไม่ละชีวิตแลกเอาแล้วไม่ได้ คำว่าเอาชีวิตแหละก็คือว่ายอมตายไม่ต้องมีชีวิตต่อไปถ้าหากว่าตรัสทลู้ไม่ลงตรัดทลู้ไม่ได้พระองค์ท่านก็จะเอาที่ล้มไม่โพนั้นเป็นที่ตายไม่ยอมไปตายที่อื่นเว้นเสียแต่ได้ตรัสทลู้เป็นาสาจจะดาจามสัมมาสัมพุทธเจ้าตามจุดหมายแล้ว ก็จะได้ปลอเวนัยศาสตร์ ท, ท้งหลาย mm hmm. เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วการนั่งขัดสมาธิหนึ่งคือว่านั่งตายไม่ต้องการที่จะทายจากขัดสมาธิหนึ่งพระองค์จะนั่งตายเพราธาบหนึ่งอีกมันยังไม่แก่กับควนั่งตายเขา เมื่อพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าแม่เลือดเนื้อเชื่อไขมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาดกิเลสมารสังขารบามานที่เคยผูกมัดรับเลึงเหล่ามาก็จะไม่ยอมทำตามเดวาตา ประสาขัดข้องต่างๆนานาก็ไม่มีเพราะว่าคนสู้ตายแล้วไม่มีอะไรจะมาสู้เพราะว่าความตายจะหลักลงไปวะตายก็ตายเถิดให้ตายด้วยการปฏิบัติบูชาทาวนาละกิเลสพระองค์กอ น, นางทับสมา็ิเรียกว่าเป็น เป็นบรนลังบัรลังสมาธิจิเลตมานสังขารมานก็จะมาแยงบัรลังสพุติกะมีทุกสิ่งทุกประการที่จะหั้ามไม่ให้พร<ล> ะ, ะองค์ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาแบบนั้นแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงพระองค์เอาจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไป ว่าถ้าตรัโลุไม่ได้ก็ตายลูกเดียงไม่ต้องมีชีวิตจิตใจวุ่นวายไปที่เอื่นเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงไปอย่างนั้นน้นนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ผ่องใสสะความคุนข้องมองใจด้วยเหตุการณ์ใดๆก็หมดไปสิ้นไป กายก็เบาใจก็เบาเพราะว่าตัดภาระลงไปได้เยอะแยะแน่นั้นเราทุกคนเวลานั่งสมาธิภาวานาทั้งใดข่าวใดก็ให้ราเลึกถึงพระพุทธองค์ท่านนั่งโศ่ตายจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้อง เอาง่ายๆไม่ได้ต้องเอาชีวิตแรกทุกคนนั่นแหละจึงจะได้ถ้าไม่เอาชีวิตแรกก็จะมาห่วงชีวิตของตัวเองจะให้อายุชีวิตเจริญยาวไปยาวไปได้อย่างไรมันระยะนี้สมัยนี้อายุมันสั้นลงไปลงไปนี่แต่ลดน้อยถอยลงไป ตามตำนานอายุของมนุษย์ในโลกท่นานว่าร้อยปีก็ลดลงไปปีหนึ่งร้อยทีลดลงไปอีกปีหนึ่งอย่างนี้เรื่อยลงไปร่างกายสังขารก็ทลาพยาธิเป็นไปตามอาการนั้นแต่พระพุทธเจา้าพระองค์งั่งขัดสมาเธิ จิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวบทภาวนาของพระองค์ก็ไม่ใช่อื่นใจที่ไหนพระองค์ก็กำหนดอนาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองลมหายใจเข้าไปและออกมาท่านผลึกมรณกรร ม, มาฐานในเวลาลมเข้าลมออก แม่เห็นคนอื่นผู้อื่นพระองค์ก็นึกได้ว่าที่นคคนให้ตาเราเห็นก็คือว่ามรณะกรรมาฐานยังไม่มาถึงเขานั่นเองถ้ามรณะถึงมาถึงเข่าแล้วบุคคลผู้หนึ่งผู้ได้จะยืนเดินไปมาไม่ได้เป็นอันขาดจะต้องนิ่งแน่วเป็นดวงเดียว เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราเมื่อพระองค์เอาอานลมภาวนาในใจูุบายภาวนาภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ไม่ใช่เชียงนึกนึกคิดคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปทางอื่นไม่เป็นอย่างนั้น องคาเลิกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าจิตใจนั้นคือผู้ที่รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือดวงใจดวงจิต ด, ดวงใจของคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่มีหัวใจ จิตใจนั้นแล้วว่าเป็นเหมือนกันหมดมีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในร่างกายได้โรคประหันต์ร่างกายนี่มาจากท่องแม่เมื่อได้มาแล้วก็มายยดมาถือว่าเป็นตัวของเรายตดหน้าถือตายตดตัวถือตนยตดเท่าไรเท่าไรมันก็แก่ชราไปทุกวันเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปทุกวันเวลา ไม่ได้เลือกเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนจงขยันยามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพระพุทธเจ้าทันได้ตรัสลูแล้วจริงปรากฏการให้เราท่านทั้งหลายเชื่อเลื่อมใสว่าเป็นความจริงยังเหลือแต่เราทุกคนเท่านั้นแหละยังไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมายึดกายถือตายยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรานี่แหละไม่ได้กำหนดพิจารณาในจิตในใจของเราให้แน่วแน่ลงไปจงพากันตั้งอกตั้งใจปราลบความเสี่ยนตาวนาจะนึกพุดธอทุกลมหายใจเข้าใจออกก็ได้นึกพุดทอพุดทอ ไม่นึกผุดทอนเนิกถึงลมหายใจเข้าไปแล้วก็ตายออกมาไม่ได้ก็ตายก็ได้ทั้งนั้นเป็นอุบายทำใจให้สงบระงับได้ก็เป็นอันว่าใช่ได้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผู้เนึกผู้เจริญไม่ตั้งอกตั้งใจนึกเจริญจริงๆกอยปากละเลยไปตามอำนาจชีเลตลาคะโทสะโมอา อันมันเป็นพยาบาลมัดคอเราให้ติดอยู่ในวัฏจักรสงสารพอเกิดมาในตระกูลใดก็ยึดตระกูลนั้นเกิดมาที่บ้านใ ด, ดก็ยึดว่าเราเป็นคนบ้านนั้นมีญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้มีพี่มีน้องนี่อะไรทุกอย่างว่าเป็นของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเรา มันเป็นจริงไปแค่ไหนมันภายในร้อยจีเท่านั้นเลยไม่ถึงคนที่ในอายุแก่อายุสูงแล้วถ้าเราจะถามว่าพ่อแม่ตายไปแล้วคือเขาก็จะบอกว่าตายไปแล้วพ่อก็ตายไปแม่ก็ตายไปลูกก็ตายไปหลานก็ตายไปตายไปเกือบหมดเกือบสิ้นแล้วยังเหลือแต่ข้าพเจ้าคนเดียวตรงนี้ นแน่หละอะไรอะไรมันไม่เที่ยงแค่แน่นอนจิตใจต้องกำหนดพิจารณาอย่าเป็นคนละหลวมในการนึกเจริญภาวนาจนจิตใจให้มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลาขาดไม่ได้าขาดแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องการทำอะไรไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผล เราต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรานึกลองตายในใจว่าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าพุทโธ ท, ทุกลมหายใจออกหรือว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็เอามาเตือนใจของตัวเอง ให้ได้ทุกเวลาจนกระทั่งจิตใจมันหยุดมันอยู่ได้มันแน่วแน่เป็นดวงเดียวจริงๆ จ, จึงจะเป็นหลักสมถกรร ม, ฐ, มฐานภาวนาถ้าไม่อย่างนั้นจิตใจก็ตั้งมัน่นลงไปไม่ได้เมื่อตั้งมัน่นลงไปไม่ได้จะไปกำหนดพิจารณาอะไรมันก็เป็นความฟุ้งซ่านลำคาญไปหมดไม่มารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ แพ่นั้นเราทุกดวงใจจงพากันตั้งหลักจิตตั้งหลักใจหลักใจของตนลงไปเรียกว่าภาวนาภาวนาทำให้เกิดให้ดีขึ้นในตัวในกายในจิตของเราเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นมาภาวนาแทนผู้อื่นจะแทนกันไม่ได้เพราะว่าตัวใครตัวมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าชีวิตของเรา ตั้งแต่เกิดมาหลายปีหลายสิบปีก็มีแดงว่าชีวิตของเรามีมานั้นเราบริโภคอาหารเราทำอะไรอะไรทุกอย่างในการมีชีวิตมาจึงมีชีวิตเป็นมาได้โดยลำดับเมื่อชีวิตจะแตกดับลงไปเราได้ที่พึ่งอันประากดหรืออย่าง ถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่เกิดมีก็ให้รีบเร่งภาวนาลงไปทุกคนทุกดวงใจเราอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยพระธรรมจะมาช่วยพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าที่เข้าสู่นอืปานาจะมาช่วยหรือว่าครูบาอาจารย์คนโน้นคนนี้จะมาช่วยในเมื่อเวลาเราจะแตกดับทำลายขัน ไม่มีใครจะไปช่วยได้เรารับประทานอาหารเองชีวิตก็เป็นมาได้เราตั้งใจปฏิบัติภาวนาในใจของเราให้เต็มที่เต็มฐานก็ไม่มีใครจะไปทำให้มันเป็นเรื่องของตัวเองนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาภาวนาสิ่งที่ภาวนานั้น เมื่อกล่าวถึงความจริงก็คือว่าตาเห็นโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกที่เรายินดีพอใจเกียรติชังอะไรก็ตามโลกนั้นก็คือโลกกรรมฐานนั่นเองเป็นเครื่องเตือนจิดเตือนใจของตัวเองให้รู้จักให้เข้าใจเมื่อรู้จักเข้าใจแล้วก็จะไม่ได้หลงในโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลก รับยสินเงินทองก็ไม่ต้องไปหลงเพราะว่าโูกทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เสียงก็ไม่หลงกลิ่นก็ไม่หลงรสอาหารการกินที่มนุษย์มันติดอยู่ก็ไม่หลงเพราะว่าอาหารการกินมันเป็นเพียงเครื่องบรรเทาทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นเจตใจจะได้ภาวนาเมื่อเรา ภาวานาอยู่ตั้งใจอยู่รักษาใจของเราอยู่ทุกเวลาจนจิตใจสงบประ ง, งับตั้งมัน่นเที่ยงตรงคงที่ไม่ไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังหยุดตกอิจารคนโน้นคนนี้ดูเวลาความจริงอันปรากฏการเมื่อเราทุกคนเกิดมาเราไม่เห็นตัวของเราก็ตามแต่ว่าดูจากบุคคลผู้อื่นเมื่อเขามาเกิด เขาก็ไม่ค่อยได้ใครมาด้วยแม่จะมาก็มาคนหลักกออย่างว่าคนบางคนเวลาคลอดบุตรคลอดลูกจะมีลูกหลายคนก็ตามแต่ว่าตัวไทยตัวมันไม่ได้เกี่ยวโยงกันเป็นตัวของเราเองเฉพาะปริมนคอนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เป็นตัวคนคนหนึ่งเท่านั้น แล้วเมื่อยังมีชีวิตโยก็ดิ้นรนวุ่นวายตั้งแต่วันเกิดข้อดออกมาจนถึงวัยแกว่วัยชราไม่มีทางไปมันหมดหนทางแล้วมันหมดหนทางแล้วมันไปไหนมันก็ตายเลยทิไปไม่ได้ลุกไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนไป โสดาปายกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรจะเกิดขึ้นก็าตายไปถึงความตายนั้นทุกทกคนอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นตายเราไม่ตายไม่ได้คนอื่นตายได้เราก็ตายเียกได้ไม่มีใครจะมาช่วยนดะ้อันที่เราว่า มีหมอยาอย่างนั้นอย่างนี้หรือลากไม่เป็นยายาแผนโบราณแผนปัจจุบันมันเยียวยาพยาบาลตอนที่มันยังทงอยู่ได้เท่านั้นถ้าถึงเวลามันจะตายจริงแล้วยาก็สู้ไม่ได้หรือว่ายาแค่ไม่ทันเวลามันจะตายเข้าโรคบางอย่างอย่างโรคอุปทวายเหตุ อันนี้ยากแก้ไม่พอดทัดตายไปแล้วนี่มารณังเนภาเวสติจงนึกเจริญอยู่ในตัวในใจของเราจงมองเห็นซึ่งความตายนี่แหละสําคัญเพราะว่าความตายนี่พระพุทธเจ้าได้สั่งไว้เป็นนัดเป็นหนาว่าให้ภาวนาตายนี่แหละทุกลมหายใจทั้งเข้าและทั้งออก จึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเท่านั้นแหละจันึ์กเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกซึ่งความตายนะั้นถ้าเนึกความตายไม่ได้มันไปไหนมันไปทั่ววุ่นลายไปหมดเพราะมันไม่มองเห็นความตายว่าแต่ตัวไม่ตาย